วันนี้เป็นวันที่วันพรรหัส บ, บดีที่26มีนาคมพุทธศักราช2569เป็นวันพระเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธผู้ปรารถนาความหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวงเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระบรมศมาสดาได้ทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้ชาวพุทธที่ปรารถนาวิมุตติธรรมคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะได้มีเวลามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรม เื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จำเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีเวลาก็จะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่ได้วิมุตติธรรม คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันพระขึ้นมาอาทิตย์ละหนึ่งวันโดยประมาณตามจันทรคติคือตามการโคจรของดวงจันทร์ซึ่งเป็นวิธีการนับวันเวลาในสมัยพุทธกาลคือวันขึ้นแปดค่ำแล้แลวัน ขึ้น15คำ่ำหรือวันแรม14 14ค่ำเป็นวันที่เป็นวันพระความหมายของวันพระก็คือให้หยุดทำงานทำการทางโลกหยุดทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหยุดหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผลภาชนิดต่างๆ แล้วให้เอาเวลามาให้กับการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนคือนับตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ของวันนี้พอสว่างขึ้นมาก็ถือว่าเป็นวันพระเป็นวันการเป็นการเริ่มต้นของวันพระนะก็จะไปจบลงในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าตรู่เช่นเดียวกัน ก็จะได้เวลา24ชั่วโมงโดยประมาณหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนี่คือเขตของวันพระวันที่ไม่ควรที่จะไปทำภารกิจอย่างอื่นควรจะเอาเวลาของวันพระนี้มาให้กับการทำภารกิจทางธรรมกันแต่สมัยนี้โลกได้เปลี่ยนไปวันพระ คือวันหยุดทาํางานเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นวันพระแล้วเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนดังนั้นเวลาที่เป็นวันพระที่ไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ศรัท ธ, ธาญาโยมก็จะไม่สามารถที่จะมีเวลาว่างให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมได้เพราะต้องไปทํางานเช่นวันนี้ วันนี้เป็นวันพระซึ่งควรจะเป็นวันหยุดทำงานแต่ปัจจุบันวันหยุดทำงานได้เลื่อนไปเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็เลยทำให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่อยากจะศึกษาปฏิบัติแต่ต้องไปทำงานก็เลยสูญเสียวันพระไปแล้วก็จะสูญเสียไปอยู่เรื่อยๆ จนกว่าจะวันพระจะมาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าปล่อยให้เป็นไปแบบนี้ดีหนึ่งสำหรับญาติโยมที่จะมีวันพระตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีไม่กี่วันวิธีที่จะแก้ปัญหานี้เพื่อให้เราได้มีวันพระทุกอาทิตย์เราต้องเปลี่ยนวันพระให้ไปตรงกับวันหยุดทำงานของเรา ถ้าเราหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็เลือกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ให้มาเป็นวันพระแทนแล้วเราก็จะได้มีเวลามาวัดมีเวลามาฟังเทศสั่งธรรมมีเวลามาปฏิบัติธรรมถ้าเราได้มีเวลาปฏิบัติธรรมได้ศึกษาธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ผลของการศึกษาผลของการปฏิบัติก็จะค่อยๆปรากฏผลขึ้นมาตามลําดับแล้วเมื่อเกิดผลขึ้นมาก็จะทําให้เกิดฉันทาวิริยะคือความชอบความพอใจที่จะศึกษาปฏิบัติทําให้มากขึ้นมีความเพียรพยายามที่จะศึกษาปฏิบัติทําให้มากขึ้นไป ก็จะได้เพิ่มวันศึกษาวันปฏิบัติจากอาทิตย์ละหนึ่งวันไปเป็นอาทิตย์ละสองวันสามวันสี่วันเพิ่มไปเรื่อยเพราะยิ่งได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมมากก็จะได้รับผลคือความสุขที่เกิดจากการดับความทุกข์ต่างๆได้มากขึ้นไปตามลาดับจนจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเลดที่จะประเสริฐเท่ากับลถแห่งธรรม ที่ชนะรถทั้งปวงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีรถอันใดในโลกนี้ที่สามารถดับความทุกข์ของใจได้เลยนอะกจากไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้แล้วยังกลับไปเพิ่มความทุกข์ทางใจให้มีมากขึ้นไปซีก็จนะทำให้เกิดความเดือ น, น่ายกับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ แล้วกลับมามีความยินดีที่จะหาความสุขทางธรรมให้ดีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับก็อาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆลดการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะถ้าได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วใจจะไม่หิวโหวยกับการหาความสุขทางโลกใจจะไม่หิวโหวยกับการหาลาบยศสลรเสริญ หาความสุขจากม่ขเสียงกินรสโวดธะพานชนิดต่างๆใจกลับจะมีความยินดีมีฉันทะมีวิริยะความขยันหมั่นเพียรที่จะหาความสุขทางธรรมให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและอาจจะนำไปสู่การออกบวชต่อไปก็ได้เพราะเมื่อได้เปรียบเทียบความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมแล้ว ก็จะเห็นว่าความสุขทางธรรมนี้เลิศ ก, กว่าความสุขทางโลกความสุขทางโลกต่อให้ได้เป็นพระมหาเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมียศมีตำแหน่งที่สูงส่งมีเกียรติมีรางวัลอะไรต่างๆงมากมายกายกองขนาดไหนก็าตาความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่า น, นี้นั้นมัน สู้ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติทําไม่ได้เลยก็จะมีการออกบวชกันถ้าบวชได้ก็จะบวชกันถ้าบวชไม่ได้ก็จะถือศีล น, นักบวชคือเป็นอุบาสกอุบาสิากาถือศีลแปดถือศีลสิบบางท่านก็บวชเป็นแม่ชีกันปองผม เราก็จะได้มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ถ้าได้รับถ้ามีเวลาให้กับการศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่แล้วผลก็คือมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจตามลําดับอย่างแน่นอน ถ้าจะสามารถบรรลุถึงความนิพพานได้ภายในเจดปีเป็นอย่างมากถ้าไม่เจ็ดปีก็ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีจะต้องได้รับผลอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าไม่ขั้นขั้นรองก็คือขั้นสูงสุดถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็จะได้ขั้นรอง ส, สูงสูสุดก็คือขั้นพระอนาคามี อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้รับประการเอาไว้ในพระสูตรสติปัฏฐานสูตรทรงแสดงไว้กับพระภิกษุว่าถ้าสามารถเจริญสติปัฏฐานสีนี้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะสามารถที่จะบรรลุถึงทำขั้นสูงสุดหรือขั้นรองออกมาได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนไม่เจ็ดวันก็เจดเดือน แม่เจ็ดเดือนก็เจดปีเพราะทมเหล่านี้เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นไม่ได้เกิดจากอะไรอย่างอื่นเลยไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจากพระธรรมคำสอนไม่ได้เกิดจากพระริยสงสาวกที่จะมาเสกมาเป่าให้เราได้บรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆเหล่านี้ธรรมขั้นต่างๆเหล่านี้ มาจากการที่เราได้มีเวลาให้กับการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาได้รู้จักวิธีของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็นำมาไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติแบบสุขปฏิปันโนปุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีติปฏิปันโนถ้าได้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว การหลุดพ้นหรือการบนรลุธรรมขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับแห่งธรรมของการปฏิบัติ<ม>อย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือหลักของธรรมหลักของธรรมนี้อยู่ที่เหตุและผล<ม>ผลเกิดจากเหตุเหตุก็คือการกระทาถ้า ทระทำตามคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ผลชืบวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาได้ผลไม่ได้เกิดจากการที่เรากราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวาการกราบไหว้ก็ดีแต่ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้เราได้รับผลของการปฏิบัติ การปฏิบัติการกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการแสดงความศรัทธาความเชื่อความเคารพในคำสั่งคำสอนอันเลิศอันประเสริฐของพระรัตนตรัยแล้วก็เกิดความยินดีที่จะศึกษาที่จะเรียนรู้คำสั่งคำสอน เพื่อที่จะได้นาเอาไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี่คือเราต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าอะไรเป็นเหตุรู้ว่าอะไรเป็นผลการบรรลุมรรคผลนิพานนี้เกิดจากเหตุเหตุสองประการด้วยกันประการแรกก็คือการศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ ได้บรรลุมรควลนนิพพานเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไรก็น้อมนำออกไปปฏิบัติอย่างเขร่งคัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เรียกว่าสุปฏิบัณโนเมื่อมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อปฏิบัติอย่างถูกต้องผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลดับ นี่คือหลักการของการที่เราจะได้รับธรรมนเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสู้ได้ทรงค้นพบและได้นำเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการยืนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ก็จะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการยืนว่าตายเกิดไม่ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติถ้าเราไม่มีเวลาเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ปฏิบัติผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนต่อให้เรากราบพระพุทธเจ้ากี่แสนกี่ล้านครั้งก็ตาม มันก็จะไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเราต้องศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วนำมันไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันต่อไปได้าการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน การที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเหตุไว้3มประการด้วยกันที่จะทำให้ใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนประการที่1ก็คือการทำบุญทาทานประการที่สองก็คือการรักษาศีลละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงประการที่สคือการภาวนาการปฏิบัติสตภาวนา ที่มีแบ่งเป็นสองขัน้นคือสมถาภาวานาคำใจให้สงบเรียกว่าสมาธิแล้วก็วิปัสสนาภาวานาสั่งสอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าสามารถปฏิบัติทำอย่างนี้ได้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะค่อยๆบดไปตามลาดับอย่างแน่นอน เฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้เกิดผลคือการดับของความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องเริ่มต้นที่การทําบุญทําทานก่อนให้สอนให้เป็นขั้นๆทําบุญทําทานแล้วก็รักษาสิงห์สิงห์ก็มีแบ่งไว้เป็นขั้นๆขั้นต้นก็สิงห้าแล้วก็สิงหแปต่อไปก็จะเป็นสิน 10, สนงห์สิบสิของนักบวชสิงหสองร้อยี่เจ็ดเป็นต้น เมื่อได้บวดแล้วก็จะได้มีเวลาให้กับการภาวนาอย่างเต็มที่เพราะการภาวนานี้จะต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นไปจนถึงหลับไปเพราะว่าข้าศึกศัตรูผู้ที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจคือกิเลสตัณหานี้ททำงานตลอดเวลา ตังแต่เราเตื่นขึ้นมาจนเสียงเราไปนอนหลับนี่กิเลสตัณหาจะคอยทํางานอยู่เรื่อยๆจะคอยยืยงหลอกเราให้ไปโลภอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากเสพรูปเสียงกลิ่นล่นอยากมีอยากเป็นอยากอะไรต่างๆร้อยแปดพันประการแล้วทุกครั้งที่เกิดความอยากเหล่านี้น ข, นขึ้นมามันก็จะไปทําให้จิตใจ พุ่งขึ้นมาทำให้จิตใจวุ่นวายขึ้นมาทาให้จิตใจไม่นิ่งไม่สงบทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยู่เรื่อยการบําเพ็ญจิตตภาวนาจึงจําเป็นที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องทําตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับการบาเพญจิตตภาวนาี้ก็ เบื้องต้นก็ต้องเจริญสติเป็นหลักก่อนสตินี้เป็นธรรมที่จะสามารถควบคุมใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้แล้วหลังจากนั้นก็สามารถสอนให้ใจไปเรียนรู้ความจริงของสภาวะธรรมต่างๆที่ใจไปติตข้องไปเกี่ยวข้องไปโชคอยู่ด้วยก็คือให้ไปศึกษา สภาวะทำการประการด้วยกันคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกนะึกคิดเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็อารมณ์ของจิตที่แปรปวนอยู่เรื่อยๆให้เข้าใจธรรมชาติว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์กับกายไม่อยากจะทุกข์กับเวทนา ไม่อยากจะทุก์กับอารมณ์ของจิตต้องปล่อยวางให้ได้เพราะว่าถ้าไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากแล้วก็จะไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาบางเวลาก็อาจจะทำได้แต่ก็ต้องมีบางเวลาที่ไม่สามารถที่จะทำได้เวลาทำไม่ได้ใจก็จะว้าวุ่นขุ่นบัวใจก็จะทุกข์ใจก็จะทรมานขึ้นมา แต่ถ้าเข้าใจว่าความทุกข์ความว่าวุ่นขุ่นงัวของใจนี้เกิดจากความอยากให้กายเวทนาและจิตคืออารมณ์ที่มีในจิตนั้นเป็นไปตามความอยากแล้วมันไม่เป็นไปตามความอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เพียงแต่หยุดความอยากเท่านั้นเองอยากไปอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นอยากไปอยากให้เวทนามีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันก็เป็นสุขบางทีมันก็เป็นทุกข์บางทีมันก็เป็นไม่สุขไม่ทุกข์อยากไปให้อยากให้อารมณ์ในใจสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะใจก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนไปมาอยู่เรื่อย บางทีก็อารมณ์สดชื่นเบิกบานอารมณ์บางทีก็มีอารมณ์เศร้าหมองมีอารมณ์ว้าวเวมีอารมณ์เครียดมีอารมณ์รีตกกังวลอะไรต่างๆร้อยแปดพันประการเราต้องเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของกายเวทนาจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่ไมยั่งยืนถาวรไม่เป็นเหมือนเดิมมันไม่นิ่ง มันมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์สลับกันไปถ้าอยากให้มันเป็นสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์มันก็จะทำให้เกิดความเครียดเกิดความทุกใจขึ้นมาอันนี้คือวิปัสสนาคือปัญญาแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นวิปัสสนาได้ต้องผ่านขั้นสัมมัถะคือขั้นสมาธิก่อนถ้ายังควบคุมใจให้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ ก็จะไม่สามารถควบคุมความอยากได้เวลาไปพิจารณาทางปัญญาเวลาเห็นใจทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่สามารถหยุดสาเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้คือความอยากชนิดต่างๆเพราะไม่มีกําลังถึงแม้จะรู้ว่าเหตุที่ทําให้ใจว้าวุ่นขุนัวที่ทําให้ใจทุกข์ทรมานเกิดจากความอยากของใจเอง แต่ถ้าไม่มีสมาธิใจจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากที่มาเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจได้จึงต้องผ่านเป็นขั้นๆไปก่อนขั้นแรกก็ต้องทำสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนในการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้ต้องมีสติสัมปชัญญะก่อนสติสัมปชัญญะคือการมีสติที่ต่อเนื่องไม่พังไม่เผลอ ให้กำหนดอยู่กับร่างกายก็จะอยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆหรือให้กำหนดให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธก็จะอยู่กับคําบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธก็ต้องพุทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าให้ดูร่างกายก็คอยดูร่างกายอยู่เรื่อยว่าร่างกายกาลังทาอะไรอยู่ร่างกายกำลังเดินก็ต้องรู้ว่ากาลังเดิน ไม่ใช่ใจลอยเดินไปแล้วใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสติต้องรู้ทุกย่างก้าวของการเดินของร่างกายร่างกายกําลังก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาเฝ้าดูร่างกายก 9, ํ า, า, 9, า, า, า, า, กากลังอาบน้ํากําลังล้างหน้ากําลังแปรงฟันต้องเฝ้าดูอยู่อย่างดูร่างกายเหมือนเฝ้าดูนักโทษหรือเฝ้าดูคนที่เราชอบก็ได้ เวลาที่เราชอบใครนี้เราสามารถเฝ้าดูเขาได้ตลอดเวลาไว่าเขาจะทำอะไรก็จะสนใจจดจ่อดูว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ดูร่างกายก็ดูแบบนี้ดูแบบที่เราดูคนที่เราลักเราชอบเขาทําอะไรเขากําลังเดินเขากําลังยืนเขากําลังนั่งเขากําลังรับประทานอาหารเขากําลังยิ้มเขากําลังอะไรทั้งสิ้นรู้หมดต้องดูอย่างนี้ ใจไม่ไปรู้อย่างอื่นให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายอย่างนี้เรียกว่าเป็นการมีสติไม่ไปรู้อย่างอื่นรู้อย่างเดียวรู้ร่างกายเป็นอย่างเดียวรู้จะรู้กับพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนี้พอมีสติอย่างต่อเนื่องเราก็เรียกว่าสัมปะชัญญะสติสัมปะชัญญะ คือสติที่ไม่พั้งไม่เผอต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องพอเรามานั่งทำสมาธิ<ม>ทำสมถะภาวนาก<ม>ำหนดอารมณ์ที่ให้ใจเฝ้าดู<ม>จะเป็นใช้การคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้<ม>หรือจะใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้<ม>อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างปนกันก็นกได้ แล้วแต่ความพอใจถ้าเรามีสติแล้วเราจะดูลมได้บริกรรมพุโทโธได้ถ้ามี ส, สติสัมปชัญญะอยู่แล้วถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะใจจะอาจจะฟุ้งขึ้นมาจะไม่สามารถดูลมหรือบริกรรมพุโทโธได้ก็ต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนภายในใจในขณะที่นั่งสมาธินั่งสมาธิไปแล้วดูลมไม่ได้ใจฟุ้งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ บริการพูโทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปบนไหนก็ได้บทที่เราจําได้อย่าเปิดหนังสือดูเราต้องการใช้การท่องจําของเราจะดีกว่าไม่ต้องการเปิดตาให้นั่งหลับตาแล้วก็ท่องไปเหมือนกับนั่งนั่งสมาธิถ้าดูลมไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนรู้สึกว่าใจเริ่มเบาลงคิดน้อยลง พอหันหันกลับมาดูลมได้ก็กลับมาดูลมต่อหรือถ้าบริกรรมพุทโธได้ก็อยู่กับคำบริกรรมต่อแล้วก็ให้อยู่กับลมหรือคำบริกรรมไปเพียงอย่างเดียวไปตลอดจนกว่าใจจะสงบลงเวลาใจสงบลงใจจะเหมือนตกจากที่สูงลงมาวุบลงมาแล้วก็นิ่งสงบสบาย พอนิ่งสงบสบายแล้วใจก็ไม่คิดอะไรใจก็ไม่ไดิน้นอีกต่อไปตอนนั้นก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธไม่ต้องดูลมเพียงแต่ใช้สติคอยเฝ้ารักษาความนิ่งไว้อยา่าปล่อยให้ใจคิดถ้าใจคิดก็ใช้สติระ ง, งับไว้ไปเรื่อยๆถ้าระ ง, งับด้วยสติไม่ไหวก็แสดงว่าสติหมดก็ต้องเริ่มคําบริกรรมใหม่พุทโธใหม่หรือดูลมหายใจใหม่ แต่ในขณะที่ใจนิ่งใจสงบนี้จะเกิดความรู้สึกที่มีความสุขอย่างยิ่งที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเมื่อได้รับความสุขได้รับความนิ่งแล้วใจจะมีพลังมีโอเบคขาใจจะไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงแต่ก็จะเป็นแบบชั่วคราวไปก่อน พอออกจากสมาธิมาความนิ่งความสงบก็ค่อยๆเบาค่อยๆจางไปอุเบกขาที่ได้ก็จะค่อยๆจางไปพอใจเริ่มคิดเริ่มปรุงแต่งเรื่องทัมผัสกับเรื่องราวต่างๆกิเลสที่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้ก็จะโผล่ขึ้นมามาสร้างความอยากต่างๆให้กับใจถ้าต้องการจะให้ใจนิ่งให้สงบเหมือนอยู่ในสมาธิก็ต้องคอยกำจัดความอยากที่โผล่ขึ้นมา โดยใช้ปัญญาสอนใจให้มองเห็นสิ่งที่กิเลสอยากได้ว่าเป็นทุกข์ทุกว่ามันเป็นความสุขแบบชั่วคราวกินอยากจะไปกินขนมอยากจะไปดื่มเครื่องดื่มอยากไปดูไปฟังอะไรมันเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็จะสร้างความหิวสร้างความอยากให้เกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องคอยไปหาม า, มาให้มันอยู่เรื่อย แล้วถ้ามีอุปสรรคไม่สามารถไปหาสิ่งที่ความอยากต้องการได้ตอนนั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมามให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสียอย่าไปทาตามความอยากหยุดความอยากเสียท่านั้นเอง ถ้าเรามีอุเบกขาจากสมาธิเราก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็สงบเหมือนกับเข้าสมาธิเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิอันนี้คือการทำงานของปัญญาถ้าใช้ปัญญากำจัดความอยากแบบนี้แล้วความอยากที่เคยอยากแบบนี้ก็จะหายไปจะไม่กลับมาอีกเพราอเห็นแล้วว่ามันมันเป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์พอรู้ว่าตัวนี้มันทาให้ใจทุกข์ก็จะไม่อยากอีกต่อไป นี่ก็จะเป็นวิธีกำจัดความอยากแต่ละชนิดให้หมดไปตามลำดับจนกระทั่งใ น, นที่สุดก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออีกต่อไปพอไม่มีความอยากหลงเหลือใจก็จะสงบเหมือนเข้าสมาธิตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิแต่สงบเหมือนกับตอนที่เข้าสมาธิเย็นสบายสุขเบากายสบายใจไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวไม่มีอารมณ์กับอะไรทั้งสิ้นไปจนวัน ตายหรือหลังจากวันตายไปอีกเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดอนันตกายนี่คือใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอนันตสาวกที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆได้จนหมดสิ้นไปจากใจใจก็จะเป็นบร ม, มสุขขึ้นมาเป็นนิบานังปรมังสุ ข, ขังขึ้นมา เป็นใจที่มีความสุขตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีวันพระเพราะถ้าเราไม่มีวันพระเราจะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้เห็นผลเราก็จะไม่ได้เกิดความยินดีที่จะศึกษาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเราได้รับผล ที่ดีกว่าผลที่เราได้รับจากทางโลกแล้วเราก็อยากจะทํามากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะไม่ทําอะไรเลยนอกจากปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเพียงอย่างเดียวพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบตลอดเวลาผลก็คือวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนอ น, นี่คือเรื่องราวของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาและในลำดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบก่อนตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้การพิจารณาเพื่อไปกำจัดความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจตอนนี้เราใช้สติหยุดความอยากด้วยการหยุดความคิดเวลาใจไม่คิดความอยากก็จะทำงานไม่ได้ ท, ที่จะทำให้ใจหยุดคิดใจไม่ไม่มีความอยากชั่วครา ว, วก็คือต้องมีสติรำลึกรู้อยู่กับอารมณ์อย่างที่ได้สอนไว้ตอนต้นต้องมีสติสัมปชัญญะมีสติรำลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐานร่างกายก็เป็นอารมณ์หนึ่งกายกตาสติลมหายใจเขาออ้ากก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็ ทำบริการพุโทโธพุโทโธก็เป็นกรรมฐานอยู่อย่างหนึ่งที่เราสามารถเลือกใช้ได้ถ้าใจเรายัางฟุง้งยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ใช้การสวดมนต์เป็นกรรมฐานไปก่อนต่อไปนี้เราจะมาทํากรรําหนดสติคือการ ร, ารับรู้ให้อยู่กรรมฐานเพียงอย่างเดียวไม่สนใจกับอะไรที่ปรากฏเข้ามาให้เรารับรู้จะเป็นเสียงก็ดีจะเป็นกลิ่นก็ดีเป็นรสก็ดีเป็นอารมณ์ก็ดีเป็นความรู้สึกต่างๆก็ดี เป็นอาการอาการของร่างกายก็ดีจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจมีภาพมีอะไรเข้ามาปรากฏให้เห็นก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้เพราะมันเป็นของหลอกของที่จะหลอกให้เราไม่สงบนั่นเองพอเราไปตามรู้ใจเราก็ต้องคิดปุงแต่งตามไปด้วยใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบเราต้องการให้ใจนิ่งให้สงบเราต้องผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานเพียอย่างเดียวถ้าใช้ลมก็ผูกใจไว้กับลมไปตลอด ถ้าใช้พุทธโธก็ผูกใจไว้ให้อยู่กับพุทธโธไปตลอดถ้าใช้ทั้งสองอย่างก็ได้หายเข้าว่าพุทใจออกว่าโธก็ได้นี่คือวิธีการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจนิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาก่อนให้มีกําลังก่อนเมื่อมีกําลังแล้วเวลาออกมาก็สามารถมาสู้กับความอยากต่างๆได้เวลาที่เราใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก และสิ่งที่อยากก็เป็นความทุกข์เพราะเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเราก็จะได้ไม่ต้องการความอยากไม่ไม่ไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปพอเราไม่อยากได้แล้วเราก็จะหยุดความอยากได้อยู่เฉยๆได้พออยู่เฉยๆได้ความอยากหายไปความสุขความสงบแบบสมาธิก็จะกลับคืนมาอีกโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกัน ให้มีสติแล้วเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานเพียง อ, อย่างเดียวไปจนกว่าจะหมดเวลาประมาณสักสามสิบห้าสามสิบหกนาทีด้วยกันยี่สิบห้านาทียี่สกนาทีตอนนี้เวลาสงหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนจะเลิกปวดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งดีไหมสงบไหม ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งเอาไว้แล้วเวลานั่งคราวหน้าก็สามารถใช้วิธีนี้ทำได้ต่อเลยจะได้ความสงบเหมือนกับวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทำให้มันสงบวิธีนั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้จะทำให้สงบได้ถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อยยังไม่เป็นสัมปชัญญะก็มันฝึกสติระหว่างวันไปเรื่อย ทำอะไรก็ให้มีพุโทโธอยู่ในใจหรือให้เฝ้าดูว่าร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วต่อไปเวลามานั่งสมาธิใจก็จะมีสติมากขึ้นก็จะสงบได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นถ้าต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาฮาเปร า, ปาริภุเณรติสากลัง เอวเมวะอิโตทินังเบตาังอุปปัติอิชิตังปะทิตังตุมังคิดว่เมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนะรัสุยธาเมนิจติรัสุยธาสัปปิติโยวิวัจันโต สัพพรโลวินาศตมาเตภวัตวันตาโยสุขิติขายุโกภวาอภิวาทานสิลิะนิจังุทธะปจายโนจตารุธรรมาวัานติอายุวันุสุขังภาละ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 268ท่านทาง y o u t u พระอาจารย์สุชาติ267ท่านทาง y ย u ทูบดรวี63ท่านทางวิทยุออนไลน์6ท่านทางขับ h ฮ u s ์5ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ125ท่านรวมทั้งหมด734ท่านครับ กรับมาสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากทาง Youtube เรียนถามครับเห็นได้ทำไมเปรตถึงรับรู้หิวโหยทรมานและลำบากทั้งที่ไม่มีกายเนื้อครับเพราะความหิวโหยมันอยู่ในใจอยู่ในจิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายคนเรากินข้าวอิ่มแล้วใจยังหิวอีกร่างกายมันเลยกลายเป็นตุ่มร่างกายมันไม่ต้องการอาหารแต่ ใ, ใจมันอยากกิน ทั้งที่กินเพิ่งเสร็จไปใหม่ๆเห็นของโปรดก็อยากจะกินขึ้นมาเองเนืค่ความโลภความโลภทําให้ดวงวิญญาณกลายเป็นเปรตไปเจ้าค่ะจากหน้ากุติเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยให้ทํามาในการคลองเรือนแบบง่ายๆสําหรับผู้ที่สมหวังกับชีวิตคู่กับผู้ที่ไม่สมไม่สมหวังกับชีวิตคู่ด้วยค่ะก็ต้องมีศีลห้าต้องรักษาศีลห้าให้มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่โดยเฉพาะสินข้อสามไม่มีความนอกใจกันต้องรักเดียวใจเดียวแล้วก็มีมีความไวไวใจกันไม่ไม่ัมงเลไม่สงสัยต่อกันละกันแล้วก็ให้มีความเมตตากรุณามุนีตาอาเบขาต่อกันถ้ามีธรรมเหล่านี้อยู่กับใจแล้วใจชีวิตคู่ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขต้องรู้จักการให้อภัยกัน พออยู่ร่วมกันก็อาจจะมีการผิดพลาดบ้างเป็นเป็นครั้งเป็นคราวไปเราผิดเขาก็ให้อภัยเราเขาผิดเราก็ให้อภัยเขาแล้วชีวิตก็จะอยู่กันอย่างราบรื่นยังมีความสุขซช่ค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเรานั้นแข็งแกร่งพอที่จะฝึกวิปัสสนาแล้วหรือว่ายังควรฝึกสมถะอยู่ครับก็ลองพิจารณาความตายดู พิจารณาสุภาพดูว่าพิจารณาได้หรือไม่ดูแล้วกล้าดูหรือไม่ดูซากศพดูอวัยวะอาการสารสิบสองตา่างๆนี้ถ้าดูได้ก็แสดงว่าเราก็มีความสามารถมีพร้อมที่จะพิจารณาได้ก็พิจารณาบ่อยๆให้มันจดให้มันจําอยู่ในใจเวลามองเห็นร่างกายของคนที่เรารักเราชอบก็ให้เห็นอาการส2รสิบงเห็นเห็นซากศพของเขา แล้วเราก็จะไม่หลงรักเขาอีกต่อไปเขจาใจไหมถ้ายัา ง, ไายางไม่ได้ถ้าดูเราจะเป็นลมบางคนไปดูการผ่าสมแล้วหน้ามืดจะเป็นลมต้องหายาดม <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็แสดงว่าใจยังไม่พร้อมที่จะพิจารณาความจริงคือความตา ย, ยาก็ต้องกลับมาทำสมาธิทำทำสมาธิให้จิตให้มีอุเบกขาเพิ่มมากขึ้นไปก่อน การปลงอสุภานี้ถือว่าเป็นวิปัสนาหรือกรรมฐานครับก็รือวเรียก ว, ว่าเป็นสมถะครับวิปัสนาไงเป็นการเจริญปัญญาให้เห็นความจริงของร่างกายว่าไม่สวยไม่งามแล้วประกวดนา ง, งามนี้แสดงว่าเข้าหลงแล้วเพราะ ค, คนจรเขาประกวดอาการสามที่สองมากกว่าใครมีตับยาวไส้ ย, ยาวกว่ากันอะไรีตับใหญ่กว่ากันเข้าปุณค ร, ครับพระอาจารย์ครับ แนวความตายคิดถึงความตายของตัวเราคิดถึงของตายของคนที่เรารักของพ่อของแม่ของปู่ของยากของตาของยายอะไรนี้ของเพื่อนของอะไรพิจารณาได้ไหมถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปเลยถ้าพิจารณาแล้วเกิดอาการหดหูเศร้าใจก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาแสดงว่าจิตยังไม่มีกําลังไม่มีอุเบกขาพอเจ้าค่ะจากยู u ูปพระอาจารย์กราบเรียนพระอาจารย์ เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังสติอยู่ในระดับไหนครับนั่งสมาธิดูถ้ายังไม่สงบก็ยังอยู่ระดับไม่ดียังไม่เป็นสัมปชัญญะถ้านัองจิตรวมเป็นอปปนาสมาธิได้ถึงเรียกว่าเป็นมีสติดีแล้วถ้ายังไม่ดีพอก็ต้องพยายามฝึกสติไปทั้งวันก่อนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็เริ่มตั้งสติก่อนเลยะตั้งสติอยู่กับพุโทโธก็ได้ตั้งสติอยู่กั บ, กบ อาการร่างกายของเราก็ได้สีเรียบบทเดินยิงนั่งนอนเราดูมันตลอดเวลาแล้วเวลานั่งสมาธิถ้าจิตสงบได้ก็แสดงว่าสติเรามีกำลังมากแล้วยังไม่มีคำถามเข้ามาะค่ะค่ะเชิญเข้ามาทางด้านหลังนี้ทางนี้ส่งไม้ไปหน่อยขอากาทพาะอาจารย์ คือปัจจุบันนี้นี่มีหลายสำนักสอนให้นักปฏิบัติพิจารณาความคิดของตัวเองเลยโดยที่ข้ามเวทนาจากการทำสมถะกรรมฐานท่านอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับก็เป็นการบรรูุแบบความคิดไงไม่ใช่การรู้บบความจริงคิดไปเรื่อยๆแล้วก็โอ้เราเป็นโสดาแล้วเราเป็นสกิดาคาแล้วมันไม่เป็นหรอกเกิเลสมันยังไม่ตายสังโยชน์ยังไม่หาย ความทุกยังมีอยู่ในใจการจะรู้ว่าบรรลุหรือไม่ต้องดับความทุกได้เช่นเวลาป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วใจิตใจทุกทรมานมากแล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงที่เราทุกเพราะเราไปยืดไปติดไปอยากให้มันเที่ยงไปอยากให้มันไม่ไมเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไมตายพอเกิดความอยากขึ้นมาใจแล้วอะไรเกิดความทุกทรมานขึ้นมาถ้าเราไม่อยากให้ใจทุกทรมาน เราก็ต้องพิจารณายอมรับความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอใจเรายอมรับได้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ใจก็จะหายทุกข์ทรมานไอ้ยัยงงั้นอ่ะถึงจะเรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมจริงๆต้องมีทุกข์ก่อนแล้วใช้ปัญญามาดับความทุกข์ให้ได้ถ้าพิจารณาในขณะที่ยังไม่มีความทุกข์นี่มันไม่รู้ว่ามันดับได้หรือเปล่าต้องให้มีความทุกข์ก่อนเช่นเราอยู่ในปา่าอยู่ที่กลัวๆเงี้ย แล้วกลัวตายขึ้นมาสุดขีดได้ยินเสียงเสือคำรามเย่างนี้มาใช้ปัญญาพิจารณาว่าอย่างมากก็แค่ตายกับร่างกายเมื่อถึงเวลาจะต้องตายอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตายพอยอมตายได้เพราะความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความกลัวตายก็จะหายไปแล้วมันจะรู้ว่าหลังจากนั้นมันจะไม่กลัวตายไปตลอดชีวิตเลยมันต้องรู้แบบนั้นต้องมีทุกข์ก่อนว่าแล้วดูว่าปัญญาของเรานี้ดับความทุกข์ได้หรือไม่ ถ้ยังดับไม่ได้ก็แสดงว่ายัางยังไม่ใช่เป็นปัญญาเป็นสัญญาจาได้บ้างไม่จําไม่ได้บ้างพอถึงเวลาเจาอความทุกข์ลืมไปหมดเลยอันนี้จังทุกขังหน้าตาว่าเป็นยังไงต้องทดสอบด้วยการมีความทุกข์ถึงจะรู้ว่าดับทุกข์ได้จริงหรือเปล่าเหมือนกับกินยาละยาแก้ปวดหัวเนี่ยถ้าไม่ปวดหัวกินยาเข้าไปมันจะรู้ไหมยานี้ใช้ได้หรือเปล่าครับมันไม่รู้ใช่ไหม แต่ถ้าเกิดอาการปวดหัวขึ้นมาแล้วกินยานี้เข้าไปแล้วมันทําให้อาการปวดหัวหายไปเราก็จะรู้อวอ่อย่างนี้ใช้ได้แบบนี้คือปัญญาแสดงว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติโดยที่ยังไม่ผ่านทุ ก, ทกขเวทนาโดยใหญ่ๆนี่ก็แสดงว่าเร า, า, ายังไปไม่ถึงไหนทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความอยากต่างๆเนี่ยเก็จะทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดไงต้องมีทุกขก่อนถึงจะกระตุ้นให้เกิดปัญญาขึ้นนะ แ้วปัญญาก็จะสามารถดับความทุกข์ใจได้แต่จะปัญญาต้องเป็นระดับภาวนามยาปัญญาปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนด้วยต้องมีอุบเบกขาถ้าไม่มีไม่มีอุบเบกขาใจตื่นเต้นแนละ้วพอได้เจอเหตุความทุกข์หน่อยพิจารณาไม่ออกนะดับไม่ได้ต้องใจที่นิ่งแล้วพิจารณาแบบนิ่งพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเห็นทุกข์เกิดขึ้นจากความอยากแล้วก็หยุดความอยากนั้นพอหยุดความอยากนั้นได้ ทุกก็จะหายไปทันทีอย่างนี้เราจะใช้ตัวไตศึกขาเป็นตัวชีวัดได้ไหมฮะว่าถ้าเกิดสำนักไหนสอนเฉพาะศีลกับปัญญานี่เราควรจะตั้งคำถามมาในใจล้วใช่ถูกต้องพระเจ้าสอนไตศึกขาศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าไม่ได้สอนให้มีแค่สองอย่างอย่างนี้สมัยนี้คนสมัยใหม่อยากจะบรรลุง่ายบรรลุเร็วไงก็เรามีปัญญาแล้วทาไมเราต้องมาเสียนานั่งสมาธิทาไม ใช้ปัญญาเลยสยัญนใหญ่ก็จะคิดอย่างนี้แต่ปัญญาแบบทฤษฎีไงได้นั่งคิดตอนนี้ได้ตอนนี้ไม่มีความทุกข์ได้แต่พอไปเจออาการปวดฟันขึ้นมาแล้วปวดท้องขึ้นมาแล้วดูที่ว่าจะสอนให้ใจไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่ารัะ น, นั้นแนหะคือปัญญาจริงโอเคนะขอบคุณครับอาจารย์ส่งกลับไปต้อง คพระอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนมีความคิดฟุ้งซ่านเราสามารถแค่จับได้นะครับว่าแค่ทุกก็รู้ว่าทุกฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านสมาธิสามารถเกิดจากตรงนั้นได้ไหมครับก็ลองทําดูสิแต่ว่าเราไม่ได้หรอกถ้าได้เขาทากันมานานแล้วะพระเจ้าบอกให้อยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับ อ, อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเพื่อสกคายกานความฟุ้งซ่านยิ่งไปดูมันฟุง้งมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่เพราเราไม่มีกําลังที่จะหยุดมัน ถ้าเรามีกําลังแล้วมีอุเบกขามีสมาธิแล้วพอมันฟุ้งเราสั่งมันได้ให้หยุดได้แล้วหยุดคิดได้ปั๊บมันก็หยุดเลยแต่ถ้ า, ายังไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาสั่งไงมันก็ไม่หยุดเหมือนสั่งขี้มูกลองทําดูก็ได้เราไม่ได้สงวนเลขสิทธ์เดี๋ยวจะหาว่าเราเอาแต่วิธีของเราอย่างเดียวถ้าคุณคิดว่าวิธีไหนที่ทําให้คุณหยุดหยุดความทุกข์หยุดควา ม, ค, ามคิดได้ก็ใช้วิธีนั้นเลยได้ครับขอบคุณครับ <Okay. S 2> จาก Facebook พระจย์เจ้าค่ะโยมเห็นแล้วคะ่ะว่าเราต้องสำรวมจิตคือไม่คิดแต่ให้อยู่ในปัจจุบันแล้วเราจะไม่ทุกข์แต่ทำแต่ยังทำได้ไม่ตลอดเจ้าค่ะสรุปคือเราอยู่กับตัวเองไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นหรือคนอื่นเลยจดจ่ออยู่กับงานของตัวเอง เท่านั้นแต่ยังสื่อสารกับคนอื่นได้นะคะเพียงแต่ไม่นำเอาอะไรมาใส่ใจแล้วเราจะอารมณ์ดีเจ้าค่ะจะมีเมตตายเยอะเลยโยมปฏิบัติถูกทางแล้วใช้ใหม่เจ้าค่ะใช่ถูกทางแล้วอยวไปยึ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่าไปเรื่องของชาวบ้านรับนอกจากเข้ามาขอร้องให้ช่วยเหลือถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือเขาไปถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ใช้เบคขาปฏิเสธไปค่ะทางดรวแนลเจ้าค่ะ เวลาเราอุทิศบุญเราจะต้องอุทิศให้ใครก่อนคะเจ้ากรรมนายเวรหรือเทวดาที่รักษาเราคะได้แล้วเลือกได้เราอยากอุทิศบุญให้ใครก็อุทิศให้ให้บุคคลนั้นได้เลยเจ้ า, า, าค่ดจาสรแมกุฏิบริกรรมคาถาตอนนั่งสมาธิพอจิตนิ่งแล้วมันเปลี่ยนเป็นบทอื่นโดยอัตโนมัติแบบนี้จิตมันจำคาถานั้นหรือเราขาดสติคะก็แล้วแต่ว่า เราเผลอหอปถ้าเราเผลอก็ขาดสติถ้าเราไม่เผลอเรารู้อยู่ตลอดเวลาก็ไม่ขาดสติเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะอ่าคําคถามทํารองมีไหมวันนี้อ่าไม่มีวันนี้อย่างไรนึกไม่ออกมีไหมมีคําถามอยังไหมอ่ะนีเอา อยากทราบเรื่องการฝึกสติปัฏฐานแบบธรรมานุปัสสนาครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเหมือนจะเห็นว่าสํำนักส่วนใหญ่จะสอนเรื่องการดูกายกับเวทนาเป็นหลักก็เพราะว่ามันมีขั้นมันอันนั้นร ะ, ระดับปรัญญาเอกก่อนจะไปถึงธรรมานุสติได้มันต้องฝึกกายกตาสติก่อนเป็นขั้นขั้นไปขั้นที่หนึ่งกายเวทนาจิตธรรมมันเป็นขั้นขั้นไปอันนี้ถือว่าเป็นขั้นหรือว่าจําเป็นว่า จะต้องขึ้นกับจริตส่วนตัวครับ๋มันต้องมีมีสติก่อนถึงจะไปสูงขั้นปัญญาได้หมายถึงว่าสติปัฏฐานสี่ที่มีกายอนุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาแล้วก็ธรรมอนุปัสนาครับอันนี้คือต้องทําไปเป็นลําดับขัน้นหรือว่าสามารถเรื่องตาจริตของตัวเองได้ครับลำดับขัน้นลําดับขัน้นต้องเริ่มที่กายกระตาสติก่อนให้มีสติรู้อยู่กการเคลื่อนไหวของร่างกาย กแล้วก็ไปนั่งสมาธินั่งอานาปนสติจนจิตรวมเป็นอุเบกขาแล้วถึงจะค่อยไปพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนัสสุภาะแล้วปล่อยวางร่างกายได้แล้วค่อยไปพิจารณาเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางเวทนาได้แล้วก็ค่อยไปสู่จิตอีกทีหนึ่งว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางได้ส่วนธรรมานุสสตินี้เป็นการดูธรรมที่มีอยู่ในใจเรา เราเห็นหรือยังอริยสัจสีเราเห็ น, นหรือยังไตรลักษณ์นี่คือธรรมานุสติเรื่องการปรงอสุภาษนี่จําเป็นว่าต้องเป็นศพยอย่างเดียวหรือว่าสามารถเป็นของเน่าเปื่อยอย่างอื่นเช่นขยะหรือว่า อ, อ, อุจาระก็ได้เหมือนกันครับคุณคุณชอบใครลนะ่ะคุณชอบร่างกายของใครล่ะคุณก็ไปพิจารณาร่างกายของคนที่คุณชอบสนะิคุณไปพิจารณากาองขยะทําไมคุณไม่ได้ชอบกองขยะอยู่แล้ว คุณชอบนางงามคุณก็ต้องไปพิจารณานานงงามสิดูอสุภาของนางงามอสุภาเนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งปฏิกูลอย่างเดียวลวะครับไม่สิ่งที่มันน่าเกลียดน่า ก, กลัวน่าชังไม่น่ารักมีไหมในร่างกายเรามีไหมสิ่งที่ไม่น่าไม่น่าดูน่าชมมีไหมโครงกระดูกนี่น่ารักไหมดูอย่างนั้นบ้างสิไม่ยอมดูดแต่พร้อมดูแต่ผิว จากยูทูปพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อคืนโยมฟังวิทยุหลวงตาท่านเทศเรื่องจิตเรามีขณะที่มืดมิดกิเลสเข้าปกคลุมจนมืดสนิทยอมรับค่ะว่ามีที่คิดวนเวียนเรื่องโกรธพยาบาทเพื่อนอาจใกล้เคียงกับโลกันตะที่ท่านเทศขอพระอาจารย์ขยายความข้อธรรมนี้ด้วยค่ะโอ้ยเราขยายความทำวิทยุหลวงตามไม่ได้เลยทำท่านชัดเจนอยู่แล้วถ้าเรา ยาไม่ได้ก็ไปปฏิบัติก่อนของบางอย่างมันต้องอาศัยการปฏิบัติให้มีพื้นฐานของความสงบก่กอนแล้วมันถึงจะสามารถเข้าใจธรรมที่ลึกๆได้ <c oughs> จอยยูทูปพาจอยว่ะพอหันมาปฏิบททัติธรรมทำให้ปลีกตัวออกจากผู้อื่นแต่บางทีรู้สึกเหงาและความสุข จากการนั่งสมาธิยังไม่เกิดขอคําแนะนําจ้าค่ะก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นเวลาเริ่มรู้สึกเหงาแล้วแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วต้องรีบเจริญพุทโธพุทโธรีบมานั่งสมาธิทันทีแล้วเดี๋ยวความเหงาก็จะจางหายไปถ้าปล่อยให้มันเหงาเดี๋ยวมันยิ่งเหงาใหญ่ยิ่งคิดก็ยิ่งเหงาใหญ่ต้องรีบเจริญสติพุทโธพุทโธเลยเหมือนปวดท้องพอเริ่มปวดท้องปับนี้ต้องเริ่มกินยาเลย อย่าปล่อยให้มันเรื้อนลางจนกระทั่งกลายเป็นโกกรคกระเพาะขึ้นมาเราจะรักษายากถ้าเรามีสติสมาธิมันก็จะไม่เหงาใช่หมเจ้าค่ะไม่เหงาถ้าใจสงบแล้วมีความสุขเหมือนชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่กับคนอื่นแล้ววุ่นวายยุ่งยากอยู่คนเดียวสบายแต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบมันจะมีความอยากอยากมีเพื่อนอยากอยู่กับเพื่อนอยากได้ยินเสียงเพื่อนอยากเห็นหน้าเพื่อนขึ้นมาพอไม่ได้เห็นตามความอยากก็เลยเกิดอาการเศร้าขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวเหล่า น, นี้เราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอาการเศร้ามันก็จะไม่เกิดเจ้าค่ะจากเฟ e บ o o k พระอาจารย์เจ้าค่ะกกลบนมัสการพระอาจารย์คนที่ดูซากศบได้แต่เขาไม่เคยนั่งสมาธิเลยถ้าเขามาปฏิบัติจะไปได้เร็วไหมคะน่าจะไปได้เร็วนะถ้าเขารู้จักเอาภาพเหล่านั้นมาใช้เพื่อดับกิเลสตอนนี้เขาเอามารับใช้กิเลสเขาไ่ทาเป็นอาชีพ หาเงินหาทองซาประเลยนี่อยู่กับศพทุกวันแต่ไม่ไม่โปรงสทัทีกับเคร่อมีศพมาเท่าไหร่ยิ่งดีได้เงิน <c oughs> หมอก็เหมือนกันหมอผ่าตัดก็ไม่ได้โปรงใช่ไหมหมอเห็นตัดไตไส้พุงหมอดีคนไข้ามากี่คนดีรายได้ต่อหัวมันก็มากขึ้นมันมาไปใช้รับใช้กิเลสถ้าจะมาใช้รับใช้ธรรมะก็ต้องหมองว่าน่าเกียด น, น่ากลัวไม่ไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าเอามาใช้ทางธรรมเดี๋ยวเดียวก็บรรลุได้เพราะพวกนี้เห็นเห็นของเรานี้อยู่ทุกวันอยู่แล้วพวกหมอพวกพยาบาลนี่อยู่กับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายนี่หมอพยาบาลนี่เห็นตลอดเลยโรงพยาบาลมีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายแต่เขาไม่เอามาปรุงนั่นเองเขาไม่เอามาใช้ดับกิเลส เ, เอามาใช้รับใช้กิเลสใช่ค่จะาจากทางด็อกเตอร์วีชาแนล ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอเมตตาให้ความหมายของผู้ตื่นด้วยครับก็ตื่นจากความหลงไงอันนี้เราหลงว่าคนนั้นเป็นอ น, นิจจังสุขขังอัตตาเห็นทีไรก็เห็นชอบนี่ว่าได้เขามาแล้วจะมีความสุขแต่ความจริงนี่คือความหลงพอได้มาแล้วมันจะเป็นอ น, นิจจังทุกขงังอัตตาขึ้นมามแต่ตอนนั้นก็สายไปเสีแล้วถูกหลอกไป ติดกลับเขาแล้วยากกันแต่ไงก็แล้วจะหยาไม่ได้เลยยาสัฟเฟตลูกเ้าค่ะลูกกราบสอบถามเจ้าค่ะลูกได้จับลูกนกเป็ดน้ำได้จากพวกสุนัขจะรุมทำร้ายแต่ลูกเอาไปปล่อยในวัดเพราะลูกกลัวเขาถูกทำร้ายแล้วลูกคิดว่าเขาคงไม่ทำร้ายสิ่งอื่นใดแ ล, แล้วลูกจะขายไหมเจ้าคะเพราะลูกไม่ได้ขออนุญาต องหลวงปู่ก็ต้องขออนุญาต ก, ก่อนเอาของไ่ปล่อยวัดบางทีพอของเสียๆก็จะไปโยนให้วัดทุกที่ของดีๆมันส่งไปที่วัด น, นี้บางทีเป็นกองขยนะใช่ไหมพระแขนขาดพระหูขาดพระจมูกแหว่งเนี่ยกองไว้ที่ใต้ต้นโพนเยอะแยะไปหมดของพวกนี้ก็ไปทิ้งได้กบดินว่าอะไรไปมไ ม, มันไม่เสียหายตรงไหนหรอก ตัวใครยังไม่มีคําถามเข้ามามีไม้มอาจารย์ อ, อ, อยากถามพระอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติสมมุติว่าถ้าเกิดเราใช้การหายใจเข้าแล้วนึกว่าเกิดหายใจออกแล้วนึกว่าดับเนี่ยมันจะเป็นการปฏิบัติที่ทําสมถะและเวปัชนาร่วมกันไปหรือเปล่าอาจารย์ได้แต่เป้าหมายเราต้องการสมถะก่อนเราต้องการให้จิตสงบก่อน แต่มันก็มีผลพลอยได้ว่าเราก็รู้ว่าชีวิตเราก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวก็ตายอยู่ที่ลมปลปลายจมูกนี่หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายมันก็ได้ทั้งสองอย่างแต่เป้าหมายหลักก็คือต้องการสมาธิก่อนครับทําจิตให้นิ่งให้สงบแต่มันก็จะได้ได้ของแถมมาด้วยได้ปัญญาติดตัวมาด้วยครับก็ได้ใช้ได้มันจะเป็นการลกลง่รังไปไหมฮะอาจารย์ ก็แล้วแต่คนเนบางคนมันต้องต้องมีอะไรให้มันคิดบนสัญญาไม่ไม่ไมลอยไป<ะ>บางคนต้องใช้พุทธเข้าโทรออกก็แบบเดียวกันเนี่ยครับแต่พุทธโทรนี่ไม่ได้เป็นปัญญาเป็นอารมณ์ของสมถะอลมหายใจก็เป็นอารมณ์ของสมถะแต่ถ้าเราใช้การเกิดดับมามาประกอบกับลมด้วยมันก็กลายเป็นวิปัสสนาด้วยครับเป็นปัญญาด้วยก็ได้ ได้ทั้งสองอย่างได้ยิงนกทีเดียวได้สองตัวรกระทุนนกเดียวได้สองตัวขอบคุณฮะอาจารย์โอเคมีสามคำถามวะค่ะจาก Facebook จะค่ะสอบถามพระอาจารย์ครับเราสามารถแยกนิมิต ก, ก, กับความฝันที่เป็นจิตฟุ้มได้ไหมครับหรือถ้าฝันดีไม่ดีก็ปล่อยไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจทั้งนั้นน่ะของเรานี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นน่ะมันของที่ ไมม่่เทียง้ใหคาา จ, าใ จ, จาสมกยูทูปอาจารย์ค่าทำสมาธิแม้จะมีสติรู้ตัวตลอดจนจบออกจากสมาธิแล้วแต่ไม่สดชื่นเบิกบานรู้สึกแบบว่างๆเงียบๆซึมๆถูกไหมครับหรือต้องปรับแก้ไขอย่างไรดีครับก็ยังสง บ, บไม่เต็มที่ถ้าสง บ, บเต็มที่เราจะรู้สึกสดชื่นเบิกบาน มันได้ขึ้นสวรรทั้งเป็นเจ้าค่ะจากทางดรวีเจา้าค่ะเจอคนพาลเบียดเบียนแกล้งต้องวางใจอย่างไรไม่ไม่ถูกคะก็มองเห็นมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปลมพัดพายุพัดน้ำท่วมเราก็ห้ามเขาไม่ได้ทันใดคนก็เราก็ห้ามเขาเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรก็ปเป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวบุญกรรมก็เป็นผู้ตัดสินตัวเขาเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเจ้ค่ะ ยังไม่มีคำถามเข้ามาใช่มะมีไหมถามได้นะใกล้จะเวลาสมนะอ่าอ่าอีครั้งมนะสมัยที่อาจารย์ฝึกที่วัดป่าบ้านตาดเนี่ยเราสู้กับสังขารยังไงฮะอาจารย์เพราะสังขารมันทำงานตลอดเวลาเลยแต่ว่าบางครั้งสติมันเผลอน่ะก็จะใช้สติเราฝึกสติก่อนบวชแล้ว เราสูงอยู่ปีหนึ่งนะงั้วเราคุมมันได้แล้วเรารู้เราคุมได้เราถึงกล้าไปบวชถ้าเราคุมไม่ได้เราไม่กล้าไปบวชกลัวเดี๋ยวจะสึกเดี๋ยวมันแหกผ้าเหลืองได้แต่พอคุมมันได้ทําให้มันสงบให้มีความสุขจากการปฏิบัติได้มันก็สามารถบวชได้คุมมันได้นี่หมายถึงพอเวลาเกิดความอยากปุ๊บนี่เรากระตุกมันเลยใช่ไหมฮะได้เราสามารถเข้าสมาธิได้เลยเราใช้ปัญญาระงับมันก็ได้บางทีก็ใช้ปัญญาบางทีก็ใช้สมาธิหยุดมัน พิจนาตายรักว่ามันก็หยุดได้ถ้าไม่หยุดก็เข้าสมาธิไปก่อนครับโอเคขบคุณอาจารย์โอเคนะหมดแล้วใช่ไหมคำถามก็เอาแค่นี้ก่อนสาหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ